พัานุโมทนาในวันนี้นะเราท่านอุบาสกบัิกาที่เราแสดงตนแล้วนักบวชในประชาทนาในกรรมปกจธิบัติแล้วแต่เราก็ไม่ทราบว่าเราได้บุญกุศลตรงไหนบ้างประการใดไม่มีใครทราบว่าบุญในแค่ไหนอตัวตนมาอย่างไรเราก็ไม่ทราบ ละคณาหน้าตา บ, า, า, าบุญอย่างไรเราก็ไม่ทราบกุศลอย่ง า, ยายงไรเราก็ไม่ทราบมีการทุกคนมิมิตรเพียงหมายกรรมมิมิตรเราก็ไม่ทราบแต่ประการใดสตจุดมุ่งหมายของเราท่านั้งหลายมาตั้งใจปฏิบตัติต้นเป็นคนที่ได้ผลได้คุณได้กำไรในชีวิตทุกวก่อน ประโยกนจะพึงได้หรือไม่ได้นั้นก็ปล่อยไว้ก่อนตั้งใจข้างความดีไว้เถิดจ ะ, ะเจอิดที่สดคำว่าทางความดีไว้เถิดจะสดที่สดหมายความมรกรัยคนอื่นจะดีชั่วประการใดอย่าไปคํานงไปประเมินผลเขาแต่ประการใดเราขะสมบุญ คือรูปร่างหน้าตาเราอย่างไรเราก็ไม่ทราบต้องดีเงาของตนเองงาบุญเงาบาปงาบุญมันจะปรากดคือทำให้จิตใจสบายจิตใจเป็นปกติจิตใจเราดีเราจะมีความสุขนั่นเนี่ยคือบุญที่ไม่มีตัวตนความสุขและความทุกข์นั้นมันก็ไม่มีตัวตน ที่เราจะทำลักษณะการอย่างไงมันอยู่ที่อารมณ์เราทั้งหมดไม่มีใครสังเกิดคนแต่อารมณ์ที่ดีน่นคือหยุดนั่นเองหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นั่นคือหยุดที่เราตั้งสตูไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพองจะพองหายใจออกพองจะหยุดเราจะตั้งสตูไว้ตรงนั้น ถึงจะจับสุดได้ว่าอ๋อมีสติสัมภันญตญิเป็นปกติแล้วนั่นแหละบุนที่จะเกิดขึ้นในจิตใจทั้งขังกุศลแปล ว, ว่าเราตั้งใจช้างความดีกันเราไม่ต้ตั้งใจช้างความชั่วแต่ประการใดมั น, นก็ต้องกุศลและจิตจิตก็ตั้งใจช้างแต่ความดีตลอดไย จะไม่สร้างความทั่วอีกต่อไปแล้วนะเป็นลักษณะการของบุญกุศลการเจริญสรมาฐานจาเจริญสติฐานคือในที่นี้นั้นก็แองตารให้ท่านถึงศพความดีหงชีวิตของ ท, ท่านเพ่จะได้รู้สํานึกในหน้าที่ของท่านได้ว่าบัจ น, นี้เราทําอะไรอยู่ ในปัจจุบันนี้นอารมณ์ดีเป็น ก, นการใดอารมณ์เราไม่ดีป็นการใดความสุขหรือความทุกข์มันก็อยู่ที่อารมณ์นี้เหมือนกันความจเจริญรุ่งเรืองอยู่ก็อยู่ที่จิตของเราเท่านั้นจิตท่านมันดูอยู่แล้วสะพัดสอนพองไขมาจากคลอบมาจากมารดา แต่เรามาสร้างความอลปมานสร้างความสกปรกให้กับจิตเองพระพุทธเจ้าเรียกว่ากิเลสทำเหวี่ยมทำลายเราทั้งนั้นกิเลส ต, ตัวนี้แปลวา่ากะลยท่านจะแปลว่ากระลายยกกับกิเลสขวจะแปลให้ชัด แปลเข้ามาหาตัวท่านถึงแต่เห็นกิเลสของท่านแปลว่าความเจ้าหมองจุดจุดเจ้าหมองจุดในผองสายมันก็กิเลดตัวแรกมันบอกเหตุใหเราด้วยการคัดว่าข อ, อแต่เรามีกิเลสแล้วใจเจ้าหมองตลอดทุกแตความเชื่อ เห็นความทั่วเป็นความดีนั่นแหละเป็นกิเลสที่มันพอใจของตัวเรานั่นเองเราต้องฝืงการจเจริญกรรมฐานนี่ต้องการจะฝืนจุดของท่านที่มันมีเตนด้วยกิเลส ม, ม, มีเตนด้วยความทุกข์มันเนื้อขงอยู่ด้วยความยากลําบากจิตใจเหลือเกิน จะปมใครจะมาบวชเรียนจิตใจเราก็ตามถึงวัดล้อมดึงให้เราไปหาความชั่วก็ตามแต่เรามี่จิตดีมีปัญญาดีเราหึงจะไม่ต้องแขไปคุยหาี่เลสตึงหัวทำลายตัวเองตลอดอรายการนี่นะ่ะเป็นกฎมองหมายผู้่านมา ในวันนั้นมาสู่วันนี้แล้วจะกราบ น, นะมัจกาลากลับไปต่างจะเห็นตัวบุญแล้วหรือยังต่างจะเห็นตัวบาปแล้วหรือยังต่า ง, งคงรจะเห็นกันแล้วบ้างในว่าตัวบุญมันมีคุณประโยชน์กับตนเองนิดแค่น้อยให้ตัวบาปก็คือตัวข้าหมองตัว้องไม่ฟังไส จิตใจละคนไปะยู่ความชั่วก็จุดนี้มันชอบความชั่วมันไม่ชอบความดีถึงเรื่องัยอยากมากมันจะเป็นของง่ายเลยแต่ท่านตั้งใจจริงๆมากระผมบุญไว้เวลาละนิดเวลาลน่อยแล้วนั้นแต่จะพบว่าท่านเป็นบุญหรือเป็นบาป มันจะเดือดร้อนตรงไหนมันจะมืความสุขตรงไหนแล้วก็ไม่กวนจิตใจของเราด้วยการทุกข์โขนจิตใจอลงเวรขับสนไม่รู้ขังโตมขังปลายไม่รู้เลยว่าอะไรจะควรขึ้นตน้นลงปลายตรงไหนจิตจะไปเพ้อะไรตรงไหนบ้างเราก็ไม่รู้มันสับสนไปหมด ก็ไม่าบว่าจะสร้างความดีได้ตรงไหนถ้าท่ามาเจริญจะกรรมาฐานจเจริญสติปัฏฐานคือสร้างความดีให้กับจิตใจทั้งท่านแล้วยนความสุขมันก็จะเกิดชุ่มความที่ทัานมีทุกข์บางคนก็มาเรียนให้ทราบว่าหลวงพ่อดีฐานทุกหนักทุกมากทุกอะไรหรือ ที่เธอเออทุกเรื่องสา ม, มีทุกเรื่องภรรยาทุกทั้งลูกทุกทั้งสมบัติพันธฐาน ม, มันคนละเรื่องกันแล้วถ้าอยากมาปนกันที่ทุกทั้งครอบครัวถ้าท่านมาเจริญตรีประฐานตืีสร้างความดีให้กับตัวพ่อครูวท่านก็มีความสุขเอง ยกตัวอย่างสามีเจ้าชู้สามีเรื่องการทำงานเดินตุลาอย่าเมายอย่าไปว่าเลยถ้าเราไปบอกว่าคุณฆ่าคุณแต่จะรักที่ํานจะเลิ ก, ล เ, กเดินตุลาเลิกเดินตุลาเลิกเรื่องการพ น, นันเขาจะไม่เชื่อเลยไม่เชื่อแนะ่นี้ตัวอย่างที่อีกเยอะ ทำไมจะเชื่อละ่ะเราดูยังไม่พอที่จะไปตากเตือนสามีเราดูยังไม่พอที่จะไปตากเตือนลูกให้เป็นคนดีตรงนี้ไม่มีใครยุยงยันประเมินผลเราดูยังไม่พอบารมียังไม่ถึงไม่สามารถจะแก้ไขาสามีและครอบครัวท่งองเติมได้ การท่านมาสร้างบารมีกุถ่มวิญยาลาถึงขึ้นคือสร้างสิ่ให้ดีนั่นเองการเจริญกรรมาฐานต่างสติปัฏฐานสู่ว่าให้ไม่หายใจเข้าออกอย่าไปทิ้งมันทำไมเล่ามึงขายน้ำปราปลาทิ้งไปทำไมเอาภาชนะมารองมันะนะงูก็เสือเดียวก็จิด อย่าหายใจเปล่าทำไมหายใจเข้าจะรู้ตั้งสตูไว้หายใจออกก็รู้ตั้งสตูไว้ที่ลม ห, นะหายใจนั้นทํานไม่ต้องไปจับสนโอลมานกับท่านผู้ใดเลยรับรองท่านแก้ปัญหาได้อย่างบด่นชัดเราดูยังไม่พอที่จะไปเตือนสามีเขาแถมว่ากันให้ช้ำใจตลบบหลังเลยบัวบช้ำน้ำคุ่น จิตใจก็ส่ามองไหนเลยาจะาแก้ปัญหาได้แต่อย่าเอาน้ำสกปรกไปล้างทามสกปรกเลยหลยุดกลูมาเอาน้ำให้สะอาดไปล้างทามสกปรกมันจะหายได้ดยกตัวอย่างให้เห็นชัดนะสามมืเป็นคนไม่ดีอย่างไรกครังก็ดูแล้วว่าเขาเป็นคนดี แต่มาอยู่ร่วมรักมสมาธิฌานใจกานเข้าก็กลายเป็นคนอย่างนั้นกลายเป็นคนอย่างนี้ตรงนั้นขอตัดไปได้ไหมอย่ามาพูดเท้าความหลังยืดต่อไปเรามาเจริญกรรมฐานเจริญความดีให้กับตัวเองไม่ต้องไปให้ใครเอาดีให้พอก่อนพอดีพอแล้วเราจะพูดสามมือสามมืก็จะเชื่อ เราจะพูดกับภรรยาภรรยาก็จะเชื่อเรามีดีพอบารมีพอแล้วเราจะพูดกับลูกลูกจะเชื่ออาจจะสนใจเรียนหนังสือเพิ่มเติมเสริมส่งในตัวเขาได้เพราะเรามีดีไปช่วยเขาได้เรามีแต่ความเครื่อมีใจไม่มีดีอะไรเลยถ้าท่านจะไปพูดเขาจะเชื่อหรือประการได้ ขอฝากเค็ดลับไว้สำนังหลายยังดีไม่พอแล้วก็จะไปอวดเรืยอวดดีไปว่าสามีว่าภรรยาท่านจะไม่โด้ผลสามีจะรเรื่องทะเลาะกันมีจะเรื่องดีวกันตลอดรายการเรองท่านมาเจริญกรรมาฐานจเจริญสติจเจริญปัญญา ถ้าท่านดีพอบาร ม, มีท่านพอแลรงจะไปพูดกระสาเ ม, มื่อสาเ ม, มื่อจะเห็นใจเขาก็จะเลิกอบายามุกเขาจะเลิกโดนพุลายาเมาเลิกเจ้าชู้ากความรู้ไว้คิดฝากประตูปัญญาให้กานเห็นทัดเจพุธเจ้าสอนทักเลือเกิน แต่เราไม่ดันเงินตามพาไปเอาทั่วเอาไปแก้คุณทั่วท่านในมีดูอะไรเลยหรือท่านมนฐานะเป็นภรรยาที่ดีท่าท่านขานะเป็นสามีที่ดีเลยท่านดีพอยตัวอย่างให้เห็นเมื่อ3ามีผ่านมาภรรยาลุกกระพ่า พี่อยู่สังคมมีลูกในการห้าคนสามมือก็เสียใจา ย, ยาทิลัยต้องทะเลาะกาันต้องด่ากันทุกทีแกได้ไหมได้วิธีแกทำอย่างไรสามมือก็มาหาจะมาหือพ่อทำอย่างไรสมบัตรจะหมดผมพูดไม่ได้ พูดทีไรเขาก็ด่าทะเลาะกันลูกก็ไม่อยากเรียนหนังสือผมหาเงินหนาะทองได้มาส่งให้ภรรยาก่ไปเรื่องการพนันหมดชอบเที่ยวชอบแต่งตัวตระเลยการเอาละโยนที่เป็นสา ม, มีมาเจริญกรรมาฐานเอาคามดีให้กับตัวเองให้ดีพอเสียก่อนที่จะไปช่วยแกให้เขากาใจ ถ้าดูยังไม่พอพูดเมือ่อใดก็จะต้องทะเลาะกันตลอดไปอันนี้แน่นอนที่สุดไม่้เราจะมานั่งกจะมาทานจเจริญกรรมฐ า, านทำไมต้องการจะมาแลกบุญท่านจะเสียขาดทุนอย่างหน้าที่ได้ตรงนี้ไม่มีใครแจ้งสา ม, มีคนนั่นก็ขออย่าปรากฏนามเดี๋ยวนังอยู่ครบเขาก็มาจเจริญกรรมฐ า, าน ระยะไปเลียดไผกลับมาเสียก็พานด่าสามอืสามอือกลับไปจากเจริญกรรมาฐานเขาก็ทรบบุญแล้หลวงพ่อครับเขาน้ำตาเรืองเลยสมเนียนบบุญนแน่ลนะบุญอยู่ที่ตัวผมเองเองกูขงด้วยความตั้งใจผมจะทำตามที่หลวงพ่อสอนทุกประการกลับไปแล้วก็จัดทิ้งพระใหม่ ขึ้นพระอยู่ที่ห้องทำงานไปช่วยโต๊ตะมู่มาตั้งเขาเ้าก็สวยงามเลยเอาพระพุทธโูกเพืนประดิษาฐานองน้ำติดทองเรียบร้อยภรรยาไป ร, ร่วไพายก็ตามใจไม่ว่ากันแน่นอนไอ้ว่าการเนี่ยดาการเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นกน็ทำมาแล้วจนมีลูกห้าคนก็ยังแก้ไม่ไดา้สามี กลับจากราช ก, การไปทำงานมาอาบน้าอาบผ้าเรียบร้อยรับทานอาหารเหนื่งขาวหุ่งขาวโดยภรรยาไม่เคยเห็นก็เข้าในห้องพระสวดมนต์ไว้พระไม่สนใจภรรยาจะเล่นก็เล่นไปไม่ว่าเลยสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณพาหุงหมากาสวดพุทธคุณเทายุค น, นึง แล้วก็นัง่งเจริงกรรมฐ า, านเดินจงกรมไม่สนใจกับภรรยาเลยไม่ยังไม่สนใจกับลูกลูกมาก็พ่อทำอะไรพ่อก็ไม่พูดโบเองภรรยากลับมาจนตี่หนึ่งไปเล่นไพ่คฉนไท้เอารถไปรับมาต้องรถรับทุกวันเรา ก, ก็เป็นข้ราการผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นผู้น้อย มาเดยพูดเลยครับไม่ในพูดให้น้อยเนื้อตามาจพูดเลาะเคยทะเลาะเลยนี่แหลดีพอแล้วไงดีพอเนี่ยเนี่ยต้องพอครับแต่ผมเนี่ยผมได้ปัญหาเนี่ยแก้ได้แล้วถ้าเขาไม่เลิกผมก็ไม่ว่าอะไร่อยไปตามวิทยากรรมของเขาผมจะสร้างความดีตลอดไปผมก็เป็นผู้ก้าวแล้ว คือก้าวแล้วเงเดือนพอภรรยาเขาก็มีเงินมีสมบัติของเขาเขาก็เลี้ยงของเขาตามพอใจร้องไม่แข็งของเขาแต่เขาก็ทําตามอย่างนี้นะกรเริยกรรมฐานอย่างเดียวนัเข้าภรรยาเสียตัวหมดตัวไม่มีอะไรเง้ยวสามาขอสามมือก็เพลีนใจ เกลงใจมากปัจจ น, นี้ไม่ได้นี้เกลงใจเลยแม้ความดีอันนี้เนี่ยทําให้คนเกลงใจได้แน่นอนที่สุดไม่เคยเคี้ยวหางสามีไม่ว่าเลยแล้วก็ลูกไม่ไปโรงเรียนก็ไม่พูดไม่ว่าพอนั่งเสิ็แล้วก็แผลนม่ตาให้ภรรยาอยู่เย็นเป็นสุข ขอให้บุพิดาของข้าพเจ้าห้าคนนี้เนะี่ะตรงรับส่วนบุญของข้าพเจ้าเชิญขอให้ลูกข้าพเจา้าได้รับแคเมตตาจากข้าพเจา้าตั้งใจบัดนี้เป็น ต, นต้นสายเท่านี้เองเนี้เองไม่จ้องสับเพศตาสรรเพศตาเนี่ยนวะิชาตาที่เราแผ่กันทุกวันเอาออกมาจากจิตใจเลย มือเมื่อกาพอและบรารมีของสามีพอแล้วทำให้ภรรยามากราดสามีก็ร้องไห้น้าตาเปร้ยงลูกก็ถามพ่อทำอะไรเหรอลูกเอ๋ยพ่อถวามนต์ให้ลูกไนเลนน่าสวาททำไมแล่วคุณพ่อสวาให้ ล, ลูเกเรียนอย่างเสีเต็จะได้เป็นอย่างเป็นตัวอย่างคุก น, นั้งร้ม อ่อนางกรรมาฐานต้องการให้เจ้ามีปัญญาเอาไปเรียนหนังสือนังหาจะได้มีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาเนะลูกนะพูดถึงเองแล้วก็เจริญกรรมาฐานต่อไปปีสี่ก็แต่งตัวไปทำงานขับรถไปเององยาเขาก็กไปธุรกาสิของเขาลูกก็ไปรงเรียนพอกลับมาก็ทำสุจริตโดนในขาด ไม่เคยว่าลูกเลยแล้วไม่เคยว่าภรรยาตั้งแต่บัดนั้นจนจนไปภรรยาก็เกิดสงสารว่าทำไมไม่เคยว่าเราเลยนะไม่ว่ารูกเธอเธอทําตามใจเธอทําไปเถิดถ้าเป็นความสุขของเธอก็ทําไปถ้าไม่มีทุกข์ไม่เดือดร้อนก็ทําไปเถอะเธอเราอยู่กันมารู้สึกเบื่อแล้ว มีลูกต้งหาคนแล้วพอแล้วนะเธอนะฉันจะไม่ขอสนใจกับเธอในทางชั่วที่เธอทำฉันจะขอสนใจอยากจะแผ่อาบรญให้เธอมีความสุขความเจริญอองการให้ลูกเราเรียนหนังสือเก็นมือกัิปัญญาเทียมหน้าเทียมตากับเขาให้จนไดน้นี่จะตัวอย่างในเวลาการต่อมานะพยายามหมดเนื้อประดาติ มันมีอะไรจะไปเลื่นการพนันอีกแล้วสามมือก็ดูมน้าตามันดับได้เลื่อนขั้นมาสามมันดับนายที่โฉกได้ไปอาชีพโดยดูนะอย่าออกชื่อเขาเลยเขาตกกระเทียนได้ล่ะเราจะเป็นผู้ดูษาทางสำนักได้ยกอีกนี่แหละบมถึงมาได้ดยดีแน่เนี่ยภรรยากราบเลย บูชาเธอทูลเรียกคุณพ่อเลยพ่อจะเอาลายมั้งไหมเอาละขอบคุณเธอนะเธอวุฒาห่วงฉันในฐานะเป็นพ่อบา้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยก็เลิกได้ทันที้แน่นอนที่สุดนี้ก็อย่างที่วัดนี้นี่มาบุญละ่ะไม่ใช่นางกรรมฐานให้สามีรักไม่ใช่นางกรรมฐานให้ สามีและกกัุ้ขอให้ส้างความดีให้มันเด่นชัดต่อทั้งโคมของตัวเองรับรองมีคนนับหน้าถือตามีคนบูชาเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นนม้นทำตรงแล้วแน่นอนตั้งแต่นั้นมาภรรยาเลิกได้คาขาใครจะมาชวนก็ไม่ไปแล้วแล้วเพื่อนภรรยา ก็มาถามบอกทำไมเธอเลิกได้เพราะอะไรเพราะลายเหตุการณ์ที่สามมีที่จะทำเช่นนี้เหตุปังเลยเขาก็ทอยเลิกไปด้วยได้บุญหลายต่อน้ำเตาหล่อหล่อสองคูณบริบรืนณ์พูนศกตลอดเลยการลูกกลับมาจากโรงเรียนเห็นพ่อสวดมนต์ไหว้พระพ่อครับพ่อจะขาสวนอะไรคะ เมาก่อนนี้ก็ ม, มูบูชาในบ้านแล้วไม่มีมีอหิ่งพระอยู่องค์เดียวบบบนี้พ่อก็ไปซื้อมาจากเขาหิ้งพระเห็นแล้วก็ น, นากระชาเลี่อนสายดอกไม้บูชาทุกวันเลยเลูกก็มาตรวจงินด้วยตั้งสามคนสี่คนห้าคนมาสรวจจะพ่อนาข้าแม่ก็มาสรวจก็อีกคนเลยก็พาลูกมาพาภรรยามาเจริญกรรมฐ า, านเพิ่มเติม คือวับบนนี้เขาก็โดยเรื่องยศถาบรรดาศากด์ไปตามอันดับขันตอนโดยไม่มีเส้นสายจัดการได้เป็นที่ศึกษาตลอดเลยการเป็นที่ศึกษาสมัยรัฐบาลของในชวนหลิดพันตลอดมาจน บ, บนัรนี้เดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดในครอบครัวนั้นลูกได้ดิด้วยดีไปหมดเลย มืบวาท่านทั้งหลายเจริญกรรมาฐานต้องการสร้างตัวเองคนเดียวให้มันดีได้ก่อนพอดีได้แล้วถึงขั้นดีแล้วนะท่านจะไปพูดเขาจะเชื่อ้ามีบาลีพอนะจะพูดกระสามมีวิจะชีแจงกตบศรีพรากาก็มีเหตุมีผลเหมือนอย่างว่าเขา้ายมาอย่าไป้ายตอบ เขาไม่ดีมาจงเอาความดีที่เราทำเนี่ยเอาไปแก้ไขคนตาหนีให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลวหลายเอาความจริงใจเข้าไปสนธนาสามีตัวย่างโลกดีหมดทุกคนถ่าลูกห้าคนก็มาเจริญกามาฐานที่วัดนี้ตลอดมาตามระดับนํำหดืดตัว แล้วก็ท่งลูกไปอเมริกาบัดนี้กลับมาแล้วเป็นด็อกเตอร์เช่นเดียวกันีน่แหละท่านสาธิชนพุทบริษัททั้งหลายเรามาเจรงกรรมาฐานมาสร้างบูญให้ากตัวเองทำตัวเองให้เดินและให้ดีาศาสมีไม่รักไม่ตองพูดกานเราสร้างความดีเป็นทองคำธรรมชาติที่หล่เหลาต่างจากพบบุญกู้ฉนในจิตใจ เพชดีท่านจะมีมณีแดงเขียวสแสงมรกตเหลืองสสดบุธรลาธรรมแดงแก่โกเมนเอกทุ่งหมอกเมฆมิลาการทั้งวางสายไผท่ทูนนวาวลาดก้าวประการมืออยู่กับคนใดคนนั้นจับพูดอะไรก็มีคนเชื่อเฉพาะใครชอบไปไหนมีอจะคนชอบพูดจะมีคนเชื่อถือ แพทยผู้ศึกษาตรองดองสามูทายา ก, ก็ชี่วถือถ้าเดีไม่พอแล้วไม่กลัวตัดตัวเขาไม่ได้หรอกเดี๋ยแม่คนหนึ่งน้องพ่อคะลูกแกมไม่ไปโรงเรียนหนูฉันก็สอนอีกทีเสีตามที่หลวงพ่อขอนแล้วก็ว่าลูกถสอบแล้วก็แผลให้ลูกดีไม่ดีฉันก็ด่าตีมันตอลอดรยการกแสดงว่ายังไง แสดงว่าอาบาปไปต่อบาปเลยเอาํานโผลกไ ป, ไปล้างามโผลกอก e ีกหรือประการดทาไม่ถึงดีทำรีไม่เข้าขั้นแล้วก็จะมาว่าจะมาว่ามาโดยผลตปิดมนมาโดยผลก็เสีย บ, บ้างไม่เสีย บ, บ้างตสดแล้วอารมณ์ก็ไม่ดีเอาอารมณนไปใส่ลูก เลยลูกก้อนหนูไปบ้านเพื่อนต่อไปแล้วหาวเสียเงินไม่เดือ้ก็ถูกข้อมเพราะคนที่สวดนั่นมันไม่ไมตงมมางใจสวดเอาแบบมาตางแล้วก็ได้ทึ่งทุ่งกลางกลางมันไม่คล่องปากคล่องใจไม่คล่องจิตมันจะมีสมาธิอย่างไรไม่เกิดผลแน่นอนขอสรุปใจความว่าดิมจะปราบมันจะตาลาต่อไป โปรดสร้างใจสร้างความดีกับตัวเองให้มากราะความรนี่ยเป็นกําไรชีวิเป็นทุนของโยมแล้วก็ไปแพร่ขยายให้แต่ครอบครัวจะเป็นสามีก็ตามภรรยาก็ตามถ้าเรา ย, ยังไม่มีครอบครัวขอประชานโทษจะเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามสร้างความดีได้มากเท่าไรก็ให้พอ่อให้แม่พระประเถิด พระในบ้านเรามีสององค์พระพุทธเจ้าจึงได้ชี้แจงสแสดงว่าพ่อแม่นะ่ะเป็นพระประเสริฐของลูกแล้วเป็นพระพนมของลูกไม่มีใครเช่าเทียมเช่ากับพระในบ้านของเราอีกต่อไปแล้วพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็ไม่เกิดประเสริฐในบ้านเป็นพ้านอกบ้านแต่จะเอาปัดข้าวทุ้งพอทิ้งแม่มาโดยให้ข้าวกล้าอาหารพ่อแม่เอาไปถวายพระที่ดง เขารวยการพระี่โดวงมายอมรับว่าท่านมีพ่อแม่เป็นพระประเสริในบ้านท่ายังไม่ได้ดูแลเราไม่รับบิงค์ บ, บาของจะเลอะนู่เป็นตํานานที่ศึกมาเวลาเป็นทันทันตล้วก็ยังได้ข้างความดีไว้ได้พ่อแม่จะยากดูหนุ่มจนก็ขอให้เราข้างกุศลไว้ให้ได้ เยื่จะมาชอบพูดเรื่องนี้เมื่อจะไมายจมาเป็นเด็กเอาไว้เชเตีย้ยขอทานบ้างใครขวางของโคนเสื้อเมียมาขอทานที่บ้านกำลังมีมหาชาขอเสร็จแล้วขอทานไม่ไปต่อมาก็ไปถามบอกลุงไคกสักทีคือจะไปขอบันเอ่นมั่งไอ้หนูขอให้ลุงฟังเทศก่อนคือบ้านมีเพื่อมหาชาติ จะทานจนจบขอทานขอข้านไปคนละตะพายกตะพายไปพักวัดใหม่ต้องมีงานกันควรจะข้าวสานไปบ้านไม่เอาพายขอข้าวารไปถวายวัดที่แล้วก็ช่วยเขาทาครัวช่กยเขาตักงาที่วัดใหม่เนี่ยมีพยายามอยู่วัดสระพิลมบ้านเกิดมังนอนอัตมาอยู่ที่นั่นแล้วสรุปเจ้าทามติดตามผล ตามาก็โตขึ้นมาตาอบรรดาบไปเรียนหนังสืขอขอทานของคนพ้นเมียมือลูกที่ห้ารู้หกจำไม่ได้เป็นเศือีหมดนี่พ่อแม่ให้ทานขอทานเข้ามาเลยยังเอามาทำบุญได้จะตังสลจะงเฟื่องก็ทำบุญเห็นคุณประโยชน์ไปเจอที่ไหนเขามือเท่ก็นางฟังไปวัดไหนเขามืองานก็ข้าช่วยหัวช่วยตากหน้ามือช่วยล่างชาต ลูกเป็นเธอผีหมดแล้วก็ลูกมีปัญญานีบ้านถ่ยขวางตรงนี้เองนะทานไปวัดหลวงพ่อพิอาสนน่ะัต่ตมาไปแล้วยังยังนึกถึงขอทานก็บานมันอยู่ตรงนี้กระท้อมมุงแฟกยังเคยตะเืีอบบานเขามาเป็นเดชนี่ไนงะท่านทั้งหลายเออสร้างความดีให้มัได้ขันหน่อยได้นหะม ของเรามันยังดีไม่พอจะไปสอนใครได้อย่างไรดูตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าของเราไปโจดอหิงศกะองค์คดีมานตรมพระองค์เองโรดไม่ได้จอมเป็นวิสัยพระพุทธเจ้าที่มีบารมีมากอาหิงศกะเนี่ยได้สำเร็จเมืองอ่าศึกษาปามโมกอาจารย์ศึกษาปามโมกเมืองตังกะทิลามมาแล้วแต่เป็นจอ เอาไปฆ่าเอามือเอานิวมาบูชาครูได้พันคนเรียนวิชาวิสนิสาวกไปโจดต่อโดนฆ่าตายเนี่ยนีะการสอนคนสอนลูกสอนสา ม, มีภรรยาต้องมีบารมีด้วยนะถ้าไม่มีบารมีทะเลาะกันไม่มีความดีจะไปเตือนสา ม, มีก็ขาดความดีเอาไปเตือนภรรยาคงไม่ได้นะ ตพืลูกก็ไม่ได้เพราะท่านไม่มีบุญบรารมีที่จะตพืลูกของท่านได้พออาจจะเป็นได้กขอ็ขอเจริญพรข้างความดีอย่าไปประเมินผลคนอื่นว่าั่วหรือดีประเมินผลของเราเถอะแล้วบางคนก็เบ่ น, บนเดิบื่อเกินโอ้ประเทศไทยเดี๋ยวรอนเดหนาวนะยังรับรองไม่ได้ท่านยังดีไม่พอมาจืนจิ้นจำจำมันจะพอเพียงหรือ มันอาจจะไม่พอรักษาจิตใจให้สะอาดหมดจดไว้เช่นแต่จะหมดทุกข์แต่จะไม่มีความทุกข์มาสุ้มอกสุ้มใจต่อไปอย่าไปสุ้มอกสุ้มใจเลยโอกผนวกลายสุ้มอยู่เป็นทุกข์เงาสาวหรือก็อมาสุ้มคิดในชีวิตของแฟนมันจะแขวนนวม ม, มีใครมาชกด้วยอ แหวนรวมแล้วไปโชกรกย์จะว่ า, ว, าว่าอ้างว้างในกลางมรรคมันคาจริถึงะเวลาชีวิตที่เกิดมาเปล่าปราศจากประโยชน์แตประการใดถ้าไม่มีบารมีพอไม่ต้องพูดัตบุญยังไม่พอไม่ชาวสตังมาถวายตามาและดีใจนะตามาไม่ดีใจแล้วอาจจะไม่สบายใจเช่้วยย อาเป็นของอาตมาเองทําบุญให้สบายใจไม่ต้องเอาของใครมาทําเขาถวายเป็นส่วนตัวจะทําให้หมดขาดก็ไปเติมเติมตาบให้โยมต่อไปโยมก็พลอยได้กํำไรชีวิตเดียอชีวิตการทําบุญให้ทานเหมือนขอทานอาตมาเล่ามานานแล้วแต่อาตมาอยองไว้ฟุ้งเฟืออยู่่เป็นเดชจำได้ชัดมาก ขอทานคู่นี้ชอบฟังเทศชอบเข้าวัดขอทานได้เท่าไรยังไม่ไปถึงบ้านเขาเข้าสารถวายวัดเอาสตางค์เหลือครึ่งหนึ่งเอาไปให้ลูกเลี้ยงลูกอีกครึ่งหนึ่งนั่นถวายวัดทำให้เกิดรวยนี่เรื่องจริงที่บ้านถัดขวางโยมอยู่แถวสึงบุรีบุรีจรู้รร้านถัดขวาง น, นื่เลยบางงาไปหน่อยกพรเลี้ยว้าย ไปวัดลายว่าตรงพ่อที่อ่านอาโขงนั่นอ่ะพอเลี้ยวไปได้หน่อยประมาณห้ารยเมตรจะถึงบ้านไผ่ขวางไผ่มีมากมันขวางอยู่เขาจึงเลือกไปไผ่ขวางมาจนทุกวั น, นี้เลยกลายเป็นเศดถฐีหมดขอทานคู่นัานตายเมื่อตาัมา ย, ยังไม่ได้บวชตัมา ย, ยังไปเผาศพผู้เลยว่าตัดน้ำ ลูกต้ามีหลักฐานหมดเผาศพพ่อเขาเป็นขอทานพ่อตายก่อนกระปิ้นหนึ่งแม่ตายก็ศพทําศพพ่อศพแม่มีอะไรแล้วมีโขนมือหนังใหญ่มืลิเจนี่ศพขอทานลูกลามลู้ว่ายู่ในกรุงเทพกันก็มาทําศพให้พ่อแม่นี่กระปินขอทานที่ได้บุญขอทานสวดเงินไวช้ชระ ก็จะสมัยตมาไว้ผมเปลี่ยวจำได้แจ้ชักถามโยมแม่ตมาก็ยังเล่าได้โยมแม่ตม า, าก้าวทุตรย่างแล้วยังจำได้หมดเหมือนกันนะขอขอนโมทนาขาธุกการแก่ท่านทั้งหลายเอาบุญมาไว้ที่ตัวเองไม่ต่อเอาไปให้คนอื่นถ้าทานมีบุญวาสนาแล้วท่านจะไปสากเสียนลูกหลานก็ได้ผล จาพูดสามมือสามมือก็หันเหเล่เขามาหาภรรยาภรรยาหากว่าภรรยาไม่เอาไหนสามมือสร้างบุญบุศรลไว้แล้วจะพูดให้ภรรยาเข้าใจงา่ายอำนาจบุญเติมไปได้อำนาจกุศลได้ผลอนันสองท่านอย่สร้างบาปไปเลยขอบินทบาทเยอะอย่าไปสร้างความเลดือดร้อนผู้ยากลําบากอีกต่อไปเลย ก็ไปโบนว่าเป็นเฉพาะสามีเป็นเฉาะภรรยาเป็นพันลูกอย่าไปทอดคนอืน่นเขาทษตัวเองเถอะถ้าตัวเองดีแน่ครอบครัวดีหมดแต่ตัวเองยังดีไม่พอมันมีมแต่เรื่องกระห้องละแหงเรื่องกระนองกระแหนงสู้ชาพี่น้องสู้ชาพี่นี้ดีไม่พอมันก็ชอบสู้ช า, า, นน า, นนาก็เป็นเป็นน้ำโคกเป็นน้าเค็มเป็นน้ำโคล่าไป ตูชาที่โน่นตูชาที่ น, นี่ท่านจะได้อะไรอยู่ขอฝากท่านทั้งหลายโดยทั่วนากัอารอัมมารักรรมมากๆเลขอเล็นจะสร้างบุญให้กับตัวเองให้มาที่สุดแล้วก็จะเอาบุญบา ร, รมีที่เราสร้างกุศลบุญยาลาสีแผ่ไปทั่วโลกสกกากวาดถึงเทพยาเจา้าถึงสัมบเบวสีถึงถึงอบายอาโลกเตศพุกายสเดชา โดดมารับบุญกุศลเถิดเรามีบุญวัฒนาก็แผ่ได้ไล่บุญวัฒนาท่านมากองแผ่แล้อไม่เดืผลนไม่ไดอานิสงแต่ประตามใดผลงานท่านไล่ไล่ขาเวลาท่านมนีแตะโยดใส่ชอบตึงทุนนท์ชอบตึงทีมันหลวมข้างปางชนีท่านจะดึได้หรืแล้วการใดขอฝากคติธรรมไว้กลับไปบ้านแล้วก็ไปสวดมนต์นะ เพราะมูบูชาไม่มีไปซื้อไม่กี่สตัง้งบางคนเนี่ยเอาพระพุไธตั้งหลังตู้แล้วไม่เคยถวายมณฑลพระเลยเลยไปตั้งไปตุ๊กตาเลยไม่เคยเคารพ บ, บูชาพระพุทธเจ้ า, จาเลยจะได้อะไรหรือจะไม่ได้ผลอนุทิศแต่ประการได้สุดท้ายนี่ก็ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมปฏิบัติหน้าที่จเจริญสกรรมาฐาน จะไม่มีบุญวาสนาท่านจะไม่ลืมพระคุณของท่านผู้มีบุญคุณจะไม่ลืมพระคุณของบิดามันดาของครูบาอาจารย์ของท่านผู้ยากสิวงสงสาคือเขาอุปการละมาคงไม่ลืมแน่ๆถ้าท่านมีบุญท่านจะไม่ลืมอันนี้ถ้าท่านไร้บุญวาสนาท่านจะลืมบุคคลผู้อุปการละไม่มีบุญวาสนาต่อไปจะทําอะไรก็มาทำากินไม่ขึ้น การปลกก็ไม่เตือนเท ก, ก็ไม่ทึงงานอันใดไหนเลยแล้วท่านจะได้ผลอ น, นุสง์อย่างที่ชีแ้แจงแสดงมาหน้าบัดนี้ก็ข อ, ขอความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองแก่ท่านทั้งหลายที่จะเรียนทำสัมาปฏิบัติในหน้าที่อย่างนีุ้ฆวัยท่านจะได้ผลไม่ลายผลที่เกิดมาในสากลและจักรวาลในโลกมนุษย์ท่านจะมีแต่ความบริสุทธิ์ใจจะนึกถึงบุญคุณขึ้นมา ผลที่ลายบุญเลยบุญคุณคณนง่ายแ ถ, ถ, ถมไปถะพับถมไปอีกแล้วบุญกุศลนั่นก็เหมือนต้นไม้ที่มันหักแล้วมันโคตลงไปแล้วมันไม่ขึ้นอีกต่อไปนะขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยอยับระมาทอาบองค์ก่อนชีวิตนี้เราอาจจะตายคืนนี้หรือพรุ่ง น, นี้เราก็ไม่ทราบสร้างบุญไว้เธอได้กําไรเน่ยเนี่ ย, ยอาจะไม่นึกถึงเหตุการณ์เหล่านี้ที ไม่ทถ้นความตายไวหวหายใจเข้าคองหนอยุกหนอดกไว้มันจะได้ไม่ต้องกลัวตายจะได้คุ้นเคยกับความตายจะได้ไม่กลัวตายแต่เราไม่คุ้นเคยกับอารมณ์และสิทที่เราสร้างไว้เราจะกลัวตายแล้วมันก็จะตายไว้ขอฝากท่านไห้โดยชุนากันมาแล้วอย่าให้มันเสียเวลาออฟังคติรมที่จะมาชี้แจงการคำสอนที่ประสบปทานมาดูตนเอง ความคำสอนของพระพุทธเจ้านี้อัมมาสร้างบาปกรรมมามากมายยินนกตกปลาซิ้อัตมาคงไม่สึ้นหวังคงจะมีความหวังสร้างใจที่ดีก็ะร่างกุศลบุญญาลาสีต่อไปเรือใไม่เสียวเวลาเดี๋ยวเราตาจากกันไปแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปเลยนะท่านจะเสียใจตัวภายหลังอย่าเอาบาปติดตัวไปเลยให้เดือดร้อนในชาบนี้ะชาตินะ ขอท่านมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งชาติชั้นชาตินา้าต่อไปเถิดกระเถิดที่สุดขอขอว่านอกงามไพ่บูรต่อธรรมะจกิดมันงอกมาลายท่านจะมีความสุขมานั้นเกิดชั้นหดมาลายเหี่ยวแห้งแรงน้ํนจาจอาจจะพบแต่ความหายยะนะพบแต่ความเดือดร้อนพบแต่ความบาปละล่ำไปหาความสุ ข, ขำสำราญชีวิตไม่เดินขอขอฝากคติธรรมเรื่องจริงที่เราให้ฟังเนี้ แบบนี้ก็เป็นที่ปรึกษาสำนักนายกกระธมนตรีไม่กี่วันจะมาทำบุญที่ดีอีกเนะนี้ยีแหละก็จะขอฝากไว้เป็นระดับชั้นอาทิย์บดีภรรยาเดี๋ยวนี้รุ่งเรืองใสแหวนเพชรเลิกเล่นการพา น, านันเพราะความดีของสามนีนั่นเองความดีนี่แหละคนตัองเตรียใจไอความชั่วนี่ในนี้ใครกลัวรึวนะขอฝากท่านทั้งหลายไว้โดยทุนนาการ ผูท้ทานสงฆ์งเจริญธรรมและสงฆ์เจริญไปด้วยอายุทําะไรจะการด้วยกันถวายสังฆทานถวายจัตุปัจจัยเทวทานเพื่อถวายในธรํากลางสงฆ์ใช้จ่ายทั่วไปในการทาเป็นประโยชน์ของวัดเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นประโยชน์ในสาสนะ คนทั่วไปที่มาร่วมกันสร้างความดีในวัดเป็นการปฏิบัติที่ดีของท่านทั้งหลายผู้ได้ทราบความหมายและเข้าใจในการบำเพ็ญบุญมาเป็นกุศลของท่านทั้งหลายโดยทันะ่วหน้าทั่วทั่วกันโดยเฉพาะคุณงมทองอุยตสกูนก็เป็นบุคคลกระตันอยู ัตเวทีต่อปูญยากายายมากำหนดหมายการไว้หลายครั้งเราก็ไม่มีเวลาจะให้ถ้าเวลาของเราเนี่ยไม่มีจริงๆไม่สบายก็ต้องทำให้ขอขอฝากทำว่าเวลาที่มีประโยชน์ไปให้ลูกหลานถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีชีวิตมีค่า เวลาของท่านก็จะมีประโยชน์เองชีวิตไร้ค่าเวลาไม่มีประโยชน์แต่ประการใดคนเราเนี่ยเขาให้ทุนมาเหมือนการมีหูมือตาเหมือนกันโดยธรรมชาติแต่ใครจะใช้ทุนในตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อตอนและวนรวมความดีอยู่ตรงนู้นไม่ใช่ความดีว่าเป็นมนุษย์สวยเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวสวย แต่ใช้ทุนไม่เป็นท่านจะขาดทุนตลอด่าติแทนความตายตลอดไปอันนี้ไม่มีใครไปคิดเราพูดมานานแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องคนที่ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยคือคนที่ไม่เข้าใจชีวิตเรามีทุนเหมือนกันทั้งหญิงทั้งชายไม่แลกหลังยุติธรรมเสมอคือทุน มีหูมีตามีปากมีฟันเหมือนกันธรรมชาติไทยมาเป็นทุนแล้วเสียใจด้วยขาดทุนไม่ใช้ทุนให้เป็นประโยชน์คือชีวิตของท่านเองบางคนฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเข้าใจนมสาวเอาแต่เที่ยวมี่ราดาทุนมันเหมือนกันอย่างไรแล้วบางคนอยี่ในเหมือนกันจนเท่าแฉะแต่ชราก็ไม่เหมือนกันบางคนดูด้วยเวงกรรม อยู่ด้วยความทุกข์ยากลา บ, บากจนแก่ตายบางคนก็อยู่ด้วยอํานาจบุญกุศลใช้คุณแต่งใช้ตัวเป็นตัวเองก็ได้ทกำไยเองคนเราแตกต่างกันโดยใช้ทุนไม่เหมือนกันดังกล่าวแล้วเขียนด้วยกันบางคนเป็นใหญ่เป็นโตบางคนมีสติ ป, ปัญญาสูงก็ใช้คุณแต่น บางคนโง่จริงๆเงาจริงๆเตาจริงๆตุ่นจริงๆมันไม่เคยใช่คุณของมันเกิดมาหน้าที่ไดยเสียชาติเกิดก็เกิดไม่ได้ขอชมเชยคุณพรหมทองอุยตระกูลทาบุญให้คุณยายมุงมาตาทงหาอยากจะให้คุณยายมาบำเพ็ญบุญคุณยายก็อายุถึงแปดสิบสี่ไปแล้วคุณคุณยายการสุวร ะจะพาญาติน้องมาแล่คนญาตกกิูใหญ่ทั้งนั้นคือคุณตากรเปลือมากคุณยายน้อมเปลือมากอยู่ไกลเสด้วยอยู่ภัยคุณตาพาคุณตาคุณยายมาทำบุญก็มีอายุถึง80ปีแล้ว องยังพาคุณยายมาทำบุญให้จงได้กะแล้วกะอีกอาตมาจะไม่กะให้เพราะงานมากใส่เหงนใจายคุณชมทองอุตตกูลเป็นคนกะตตันยูกัตเวที้อบููมือชะคุณคุณตาคุณยายของเขาหน้าอนุโมทนาใช้ทุนเต็นใช้ทุนเป็นละพอแม่คุณยาตายายให้ทุนธรรมชาติ มีหูมีตามีปากมีฟันเหมือนกันทุกคนแต่ทุนเนี่ยใครจะใช้ดีไม่ดีจะได้กําไรหรือไม่ได้กําไรจะเป็นกาสงองค้าอย่างนั้นเหมือนกันใช้ทุนไม่เป็น่นเกิดมาไม่เป็น่นมันก็ต้องอยู่ไม่เป็น่นอยู่กระทั่งวันตายจากโรภไปมันก็ขาดทุนอยู่ด้วยความขาดทุนไม่มีบุญกุศลแต่ประการใดขอฝากไว้ นี่หนละคุณชมทองอุตกูลเนะี่ยเคยมานั่งกรรมฐ า, านมาบ่อยจึงนึกถึงพระคุณผู้มีบุญคุณเช่นคุณยายกันสุวรรณกรทายชาเมียมเพิ่มเมืองหมูหนึ่งตบลน้องเต่าอุตสาพาคุณยายมาเข้าและไดชะลาก็พามาเป็นคุณตากรคุณยายน้อง ป่านาอาผู้มีบุญคุณทางนั้นหายาทีวงคงสาวงเทวันขันแดวามาทําบุญหายาลูกหลานย่งนี้หายานี่จะทําบุญให้แฟนคอยจะนับไปแล้วแฟนมันเกิดมาอะไรจะทําบุญให้แฟนทางนั้นแต่ปู่ย่าตายายพี่งเงยเนี่ยขาดทุนตั้งแต่ออกมาจากค้องแม่แล้ว ดิจิละครบอกเรื่องออกแขกไม่เบื่จะต้องเล่นไม่ดบื่อตลอดชีวิตขาดทุนข้างออกร้องเอาแวนตั้มือร้องไห้เอาแววกจะไปร้องอักทีตอนตายแบมือร้องไห้เหมือนกันมัน ม, มีอะไรจะตื่ตัวท่านไปเลยขอฝากไว้นี่คุณตรมทองอุตกูลเป็นผู้เป็นคนที่น่าสริอหน้ารักหน้าใครหน้ารักมาก บางคนเนี่ยมา ก, กัต้องพอฮะที่ศาลจะทำคุญให้แฟนบอกพ่อแม่เธอมีไมมปูย่ญญามีพรอ้อมก็ทําบุญให้ปูย่าตายายมั่งม่ด่าแล้วไม่เป็นไรแล้วแกทําของแกเองแกทําของแกเองมเนี่ยโคนที่นาเปรียดไม่เสีมืความน่ารักขอฝากท่านไปคิดทุกคนนะถ้าท่านใช้คุณเป็นท่านจะเป็นใหญ่เป็นโตนะถ้าใช้คุณไม่เป็นขาดคุนไม่เป็นใหญ่เป็นโต ก้ะตาเป็นลูกจางตลอดชาติอระทั้งแต่ตายเพ่งถึงก็มีบุญกุศลไม่ได้ขอฝากไว้อยู่เจ้าภาพหนึ่งก็คือกุณชลาวันคุณะตุกพรรัตรยยพรโอหฐาในถึงพ่อแม่พอเขาในชีวิตคุณิภาสุด ท, ที่สวุวรรณพอเขาเป็นอนดีตผู้จัดการจังหวัดเลย ก็มานึกถึงพ่อแม่อ๋อพ่อแม่แต่งงานกันมาได้สามสิบเก้าปีพ่อก็ไม่วางแม่ก็ไม่วางเหนือชลาพรพาสามีมาทำบุญให้พ่อแม่ไม่คือน่ารักน่ารักมากบางคนไม่เอาไมา่เคยไปนึกพ่อแม่ถึงตายายปู่ย่าตตมาสอนเด็กขอฝากให้ฟังหน่อยฮะหนูมีปูย่ย่าตายายไหมมีเอาใจใส่มากกับพ่อแพ่พ่อแม่เธอนะ แต่เราไม่ม <him> ีปู that, ่กระยาตากระยาเชื่อจะไม่มีพ่อแม่ให้เกิดตรงนี้น่ารักแต่บางคนไม่เคยึ้งนึกปู่กรยาตายาจะประทานใดขอฝ่าท่านไว้แล้วคุณพรชัยคุณอิงคะรักจิตชื่บุญยาชายก็รวมกันทำบุญละสงงตรวธรรมจักให้ก็ไม่มีใครใครคอยใหญ่สวัสดิ์เนะทำบุญคลายวันเกิดทาบุญครบหล่ ขอฝากไปเลยท่านหนุ่มท่านสาวแต่วันเกิดแล้วอย่าไปกินเหล้ากินเหลาเลีเ้ยงแม่ให้อิม่มเลี้ยงพอ่อใอิ่มเลี้ยงยาอยู่กับตาให้อิม่มสักวันได้ไหมไม่ได้ใช่ยโยงอนโฮเทลชวนเพื่อนไปเต้นลามวันเกิดอมาเสียใจด้วยวันเกิดของเราสุวันตายของแม่คิดถึงแม่บ้างไหมไม่มีเลยนี่คนมันใช้ทุนไม่แปร์มาถึงไม่เจริญขอฝากไว้ คนที่จะเล่นเดินไปทางนาเนี่ยอย่างคุณคุณพรหมทองมาตะแล้วไปอีกเราหลวงพ่อมันมีเวลาว่าฮไหมีไม่สบายก็ต้องลงม า, าเนี่ยไหมข้าวฉันไม่ได้ก็ต้องลงมาให้พรนหน่อยคนน่ารักแต่กุในชราวันนี้กอน่ารักเออวุอานับวันไปเลยว่าพ่อกับแม่แต่งงานากันมาได้สามจเก้าปีก็มาทำให้พ่อแม่ พ่อแม่จะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ไปลัานติดทองหลังพระดีที่สุอสดอย่าไปติดทองหน้าพระหลอกได้ง่าคนติดทองหน้าพระเนี่ยทาบุญเอาหน้าสักขาหัวเตา่าไม่เข้าเรื่องติดทองหลังพระใครจะรู้ไม่รู้เรารู้เองเราก็สบายใจอย่าทําบุญให้ปูกระยาตากระยายทาบุญให้พ่อแม่ ออแม่จะทราบหรือไม่ทราบ ป, ประตามเช่นคุณเชลาวันพอเขาเนี่ยไปเดียวก็ตำ ม, มาเลยอดีตผู้ดการจังหวัดเลยทีเดียวกันแต่โบกเขียนไปหลายปีนะนี่น่ารักจริงๆนะคนน่ารักเดี๋ยวนี้มีคนน่าเกลียดมากมาหลายคนละสาวสวยยังไม่แต่งงานกันเลยลองบอกฮะ ฉันจะทำบุญวันเกิดให้แฟนซะหน่อยบอกแฟนอะไรอนาคตยังไม่แต่งงานมันจามากไปละมั้งยังไม่ฌานจะได้ฌานจะทำบุญวันเกิดให้เขาแล้วหน้าเครียดคาทุนให้ทุนไม่เป็มอ้อปากก็โดยวยนะทุกคนแนะตา ม, มาพูดมีเหตุผลนะถ้คนดีกันตั้งใจฟังคนไม่ดีฟังไม่รู้เรื่องทุนอะไรแล้วพออ่อพูดบาๆบอๆทุนอะไร ทูนอะไรทำโทกดีนวที่เกิดมาครบอาการสมนสองพอเป็นแพทย์แม่เป็นแพทย์ออลูกมาสองคนไปง่อยหมดเลยมัน่าโขกร้ายแต่ท่านทั้งหลายนะ่าจะชิดในวันนี้นี่แหละสองคนนี่อย่างคุณชมทองเนี่ยน่ารักจริงๆมาแท้มาหลายครั้งหลวงพ่อจะทำบุญให้ยายก็ยหน่อยยายอยู่ทายธานีชื่อใยกัน เลยชวนตาพนยายพนญาติพี่น้นองผู้ใหญ่ยายมาหน้ารักหาลูกหาหลานอย่างนี้ไม่ค่อยจะได้มนี่ยมาเร็วๆ เ, เ, เนี่ยไว้ซะด้วยปริยาโทยังไม่จะแต่งงานแหละจะทําบุญให้แฟนซะหน่อยวันเกิดแฟนบอกว่าเกิดของแม่เธอมีไหมไม่รู้ไม่ได้ถามนี่ยแล้วใช้คุนขาดพุนขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วย อย่างเป็นขยิก า, าเนี่ยวันเกิดเธยชโยอาลูกน้องเลี้ยงกินเล่ากระทั่งยายเลี้ยงอยู่ ย, ย, ย่าเลยงอยู่ย่าของหลานคือแม่ของเขาไม่เคยไปดูแลเลยไม่เคยไปดูแลเลยอ๋อฝาเขาเลยสวันเกิดของคุณทั้งหลายโปรดอยไปเลี้ยงเพื่อนในวันแรกวันเกิดชาวันเกิดเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อให้อิม่มแม่พ่อกับยายตาข้อขนมซีนถามขนมซีนไปให้หน่อยได้ไหม ไม่มีอ่ะเนี่ยธรรมมาเนี่ยประวัติศาสตร์ต้องบันทึกมีขณะปริยาโคยังไม่ได้แต่งงานกันเลยวันเกิดของแฟนสามทเนี่ทเาตมาไม่รับไม่รับศาสตราวันเกิดของพ่อแม่เธอฉันจะรับฉันไม่ว่างแต่วันเกิดของแฟนเธอยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยไม่ว่างไม่ว่างแต่ถ้าเธอตรวจเธอ มีที่นี่สวัสสาต้องลงบันทึกไวสอนเด็กหนูเป็นเด็กโตขึ้นอย่าทำอย่างนี้เป็นแบบที่ขาดทุนไม่มีบุญกุศลแต่ประทานได้ถ้าท่านผู้ใดปฏิบัติกรรมฐานได้จะซึ่งจสิงน้ำพะคุณเข้าถึงธรรมะมาไดจะซึ่งใจและก็จะฝ่ายดีจะมมีสัจจะจะพูดแต่ความจริงจะไม่พูดเท็จพูดซอเทียดพูดคำยาเพื่อเจยต่อปั แสดงกระตันดูตระเวทิตาทำต่อผู้มีบุญคุณนี่เนี่ยคือกรรมฐานใครนั่งกรรมฐานได้จะนึกถึงข้อนี้เนี่ยนัางกรรมฐานไม่ถึงแฟนไม่เชร็จไม่ใชร็กรรมฐานวัดอัมพวันของไปต่อยานกันในกรุงเทพนะ่ะยานตรงแทงยานอะไรก็ว่าไปแล้วก็หาว่าวัดนี้สอนตำตาแต่ทำได้อย่างเราไมนะ่ได้กําหนดรูจจ้สึกว่าเห็นหนอนีอ่ในิสัยดีหรือไม่ดีเนี่ยทําได้ไหม ทำไม่ได้ยังมาว่าเราเนี่ยอฝาห์ก้ยเนี่ยเนี่ยอุตาหเนี่ยสูงอายุทั้งนั้นเลยอายุแปดสิบเทินหลานอุตสาห์ามันจะอุทายชานีเราไม่ต้องอุทธรนะโยมนะโยมกันนะไม่อุทธรไม่ส่องร้อนอุราเราไปไหนไม่อุทธรก็ไปนอนอุทัยก็ไปนอนอุทัยตึกใจก็คลื่นใจขึ้นบานทันสาคืออุทัยชานี อู่ไทยชานีเนี่ยเป็นเมืองนักลา่าเป็นเมืองของไทยตระกูลสมเด็จวันลัทธเฮงเขมจาลีโยอมหกือกักเนี่ยหรือ ก, กักไหมสมเด็จมันลั์ธเฮงเขมจารีแถมมีสะพานข้ามให้ชื่อว่าสะพานตระกูลสมเด็จเฮงเขมจาลีสมเด็จวันลักท์ใครไหมใครไหมใช่มีมมอุ่ไทยธานีเมืองนักลา่า เมืองนัปราดไม่เป็นไรห่างเมืองก็ไม่เป็นไรทำใจให้มันใกล้เมืองจะไม่อยท า, ายเครืง่งแครนเสีนจะชุบสามารถลูกหลานแผงลิกการเพศเป็นเพษผีได้เข้าใจตรงนี้ไว้ขออนุโมทนาสาธุการแต่ท่านทั้งหลายผู้ใจบุญทุนทานาถาวายสังฆทานถวายผ้าพรช่องสบายก็ตามกขออนุโมทนาสาธุการแต่ผู้ที่ใจบุญทุนทาน คนที่จะมีวาสนาเด่นเห็นชาติจะถือกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อปู่ย่าตายายรับรองเป็นเกณฑ์ผทุกคนคนไหนลืมพ่อแม่ลืมพระคุณคนลืมพระคุณจากลืมพระคุณชาติเปิมูมาเปภดมิเขาสอนลืมทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่วาสนาจอดไว้เลยคนไล่วาสนาไม่เป็นใหญ่เป็นโต คนที่เขาเป็นใหญ่เป็นโตาะมาถามหลายคนแล้วเต็มตะตันยูมาทุกคนไม่ลืมพระคุณของแม่เลยแม่เลี้ยงลูกมาลําบากลาบนใจเดือเกินว่าจะคลอดลูกมาคิดว่าจะตายคนเวราเนี่ยเวลาตั้งครรภ์ดีใจว่าจะได้ลูกชาหรือลูกสาวเวลาท้องแอ่เข้านอนไม่หลับคิดว่าข้าพเจ้าออกลูกคนนี้จะตายหรือจะอยู่เนั้น นาโยมอยากรุ่ยรืนเนี่ยขอให้อยู่นะตลอดไปถึงร้อยกว่าปีนายโยมนะร้อยกว่อปีจะบอกคาถาให้ไม่ตายบอกคาถาไว้คอยกินข้าวไว้แล้วคอยหายใจไว้จะไม่ตายต่อไปนะฟังให้ดีนะไม่เป็นไรอยู่ไปเถอะอยู่ไป็ร่มโพล่มไทรของลูกหลานต่อไปมันกินข้าวมันหายใจไว้ไม่ตายไม่ตายแน่ ขอฝากไว้วันนี้โดยทุนาะการมีแหละวันนี้คนในวัดเจ็ดตัดร้อยเนี่ยเจ็ดตัดร้อยแล้วนะมากันเองทั้งนั้นหลังไหลามาเหมือนเงินทองนไหลนองทองไหลามาอคนไหนฉึดมันถึงขั้นมีความกัรอยู่ตะเวทีแล้วฉุดเป็นกุศลก็จะหลังไหลามาด้วยกระชาชนสังคมจโยมชมชอบขอขอฝากท่านทุกคนไปอีกอันิดนึง พอสุดท้ายมหานิยมไม่ต้องไปหาพระลงนหน้านครองพระเป่าหัวกระตูเข้าตัวมหานิยมคือลูกของเราเนี่ยเรียนหนังสือเก่งได้ปริญญาโภปัญญาเอกเนี่มหานิยมทําให้คนนิยมชมชอบลูกท่านทั้งหลายไม่เรียนหนังสือไม่มีวิชาความรู้ไม่มีใครนิยมชมชอบในตระกูลของโยมขอฝากไว้ขนาดบ้านกับพร้อมบ้านจับตัง รับจ้างซักลิดลูกห้าคนเป็นดอกเตอร์สามเป็นเขาแก่ขายทองสองหนึ่งชงบุรีนี่เอพอจะเป็นอะไรก็ตามพ่อจนแม่จนลูกเปน็นในผลเอกนะ่ะเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมเดี๋ยวนี้ขอฝากไว้เน่ยบอกชื่อก็ะดาษโนเอกไครบูนเอ็มพันดําำรงตําแหน่งประหลัดกระทรวงกลาโหมมาเ ร, เรวๆก็มาที่นี่ไปลูกศิษที่นี่ตั้งแต่ร้อยตรีเนี่ย น่าจะไปิึงคนเอกเนี่พ่อแม่อยากจนลูกเป็นอัเซียมีเงินมีทองพ่อแ ม, แม่เป็นอาเซียลูกเป็นอาเฮียก็เยอะแม่เอาเนื้อเอาไต จ, จะประทานได้อย่าประมาทนะทุกคนอย่าประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีลูกให้สรงเรียนหนังสือนี่ปีนี้จะมาส่งไปเมริกา29คนต่างประเทศอีกไม่ใช่พุทเท่าไรนะคลีสอิสลาม เด็กเราต้องส่งไปบอกว่าไปเรียนเถอะเด็กลับเป็นนักเตะมาไม่จําเป็นต้องขาวพุทธขาวพุทธไม่คว่เอาไหนไม่ค่อยรียรู้อะไรตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่าไรนักชาวทานตองค้ารในตระกูลท่านเป็นมหานิยมมีคนจนโยมชมชอบให้ลูกเรียนหนังสือเจงมีวิชาความรู้ใส่ตัวใส่ตนเข้าก็องฝั่งไม่เกิดเขริญข้าคนไทยก็ไม่เกิดเินิญชาวสังคมคนนิยมชมชอบนี่มหานิยมไม่ใช่เราเอาเป่าหัว เอาพระลงนะนทองไปหันยองจะมาไม่เชื่อแล้วโอ้หกทั้งเรื่องไอ้เสื่องจริงก็ไม่ชอบไปชอบที่ไม่จริงไอ้ที่ได้ไม่เอาไปเอาที่ไม่ได้อย่างที่นาที่ได้มากขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายด้วยว่าท่านทั้งหลายมาสร้างความดีมาทําสร้างความดีต้องละความชัว่วด่มาทมําบุญก็ต้องละบาปถ้าละบาปไม่ได้ก็มือบุญไม่ได้ สร้างความดีไม่ละความชั่วเอาดีไม่ได้ตรงนี้เป็น ข, อข้อคิกเป็นข้อปฏิบัติง่ายๆมันจ่มาสร้างความดีได้ดีเลยนะมันยังมีความชั่วเต็มตัวเต็มกระเป๋าตอลอดเลยการไม่ถ่ายความชั่วจากตัวทิสคิมานะแหละความดีจะไม่ถึงจะถึกอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายแน่นอนที่สุดก็เพื่อไม่เสียเวลาขออนุโมทนาการุกตการแต่ญาติพี่น้องที่น่ารัก อาปูย่าตายายทำบุญทุนทานทําบุญวันเกิดไขวันเกิดของตอนก็าตามาคุณอัชลาวานันรคนสามีภรรยาก็อุตระไม่ถึงบิดามารดาอดีตผู้ดูการจังหวัดเลยได้แต่งงานจะมาครบสามสิบเก้าปีอุตระมาทําบุญให้พอให้แม่ถึงพอแม่จะทราบหรือไม่ทราบก็ไม่เป็นไรขอให้ทําบุญด้วยความตั้งใจทําบุญด้วยความเคารพทําบุญด้วยใจสงบ สำบูญด้วยความถูกต้องสามคันลองของชีวิตในการทําบุญชีวิตจะอุ่นจะอุ่นใจจะทําอะไรก็เืิมอกเติมใจได้มีโอกาสทําบุญถึงทานในวันนี้โดยถุนากาันตลอดถวายทั้งอาถารการอุทิศให้ชีวิตจ่าใสาอนาคตรุ่งโลดโชตนาการวัฒนาสถาพรโดยถุนากาันขออนุโมทน า, าการทุกการแก่ท่านทั้งหลาย คุณสมทองคุณเชลวันอุตสาภาพบูยาตายายมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลกระทั่งอยู่ในฉลาบภาพแลร่ทั้งตาทิศใครปืนอตามยังอุตสาไปเชิญมาทำบุญทุนชานกะตันยุกอัตเวจิกาธรรมคุณจะมีแต่วัฒนานำทรงผลกุศลก็จะได้ในอนาคต ทำอะไรก็ได้ปรารบทำสัมมาปฏิบัติในหน้าที่สร้างความดีให้แก่ต น, นก็เดทชงกุศลกัั น, นยูกตัตเวทิตาธรรต่อปุยญาติญาตายายิบิดามันดาของฉันทั้งหลายแอาจานทั้งหลายถวายจังกัดทานอุทิศให้แก่สงขอให้อนนานิสงส์ผลงานสงผลให้แก่ท่านทั้งหลายโดยถวนาการสงประสบแต่ความสุขสรนนิรันดรขอท่านทรง